ผลิตฑลที่ไหนดีผลิตภัณฑ์ที่ไหนเด่นพูดคุยกันเน้นๆนจากวี่สหกิจชุมชนส่งตรงถึงคุณในตลาดนัดชุมชนกับนัฐพลดีอุดและอาทิตยาปักกะทานังพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรี สวัสดีค่ะคุฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดนัดชุมชนค่ะผลิตภัณฑ์ที่ไหนดีผลิตภัณฑ์ที่ไหนเด่นพูดคุยกันเน้นเวิสาหกิจชุมชนส่งตรงถึงคุณนะคะเราเจอกันนะคะในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคณทัญยบุรีนะคะวันนี้ดิฉันอาทิตยาประกานังรับหน้าที่ดําเนินรายการค่ะเป็นทีราบกันดีนะคะถ้าเกิดว่าใครติดตามรับฟังตลาดนัดชุมชนของเรานะคะคุณก็จะได้ฟังเรื่องราวของวิสาหกิจชุมชน ตัวแทนของกลุ่มนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของการรวมกลุ่มกันนะคะผลที่ได้เป็นยังไงบ้างอุปสรรคของพวกเขาคืออะไรบ้างและแนวคิดที่น่าสนใจในการที่จะจับตลาดหรือว่าการคิดผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆให้ออกมาตอบโจทย์นะคะก็ถ้าติดตามรับฟังก็จะได้ทราบกัน ในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยนะคะกับตัวแทนจากกลุ่มวิสาหกิจซึ่งในวันนี้ค่ะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะกับคุณสุภลักษณ์บัวโรยประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภลักษณ์คะ ครับสวัสดีครับคุณสุภลักค่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าทางกลุ่มเองเนี่ยมีจุดเริ่มต้นในการที่ก่อตั้งชุมชนวิสาหกิจชุมชนเนี่ยจากอะไรอยากให้คุณสุภรักษ์นะคะมีการแนะนําผลิตภัณฑ์ก่อนนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราเองเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างค่ะ อ่าผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเริ่มตนน้นก็คือทําเป็นกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตินะครับอืแล้วก็อพอเราทําไปเรื่อยๆรื่อเราก็เลยเริ่มรับผลไม้มาทําเป็นอบแห้งไปเรื่อยๆรือยครับเสร็จแล้วต่อมาก็คือมีเรื่องของอเครื่องดื่กล้วยผงสําเร็จรูปครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุด ทราบว่าช่วงนี้เนี่ยอุปภัณ์ล่าสุดของกลุ่มเอเนี่ยกำลังเป็นที่พูดถึงค่อนข้างมากเหมือนกันแต่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในรายละเอียดนะคะก่อนอื่นเลยค่ะคต้องเรียนถามก่อนว่าคุณสุปราคาในการจุดเริ่มต้นของการที่เรารวมกลุ่มทำวิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจเกิดขึ้นจากอะไรอะคะคือดัางเดิมเนี่ยเราเรามีหน้าร้านครับเราขายของอยู่ตลาดน้ำพะวาครับ แล้วเราก็ไม่รู้จะทำอะไรเราก็เลยรับสินค้าคับมาขายทีนี้พอเรารับสินค้ามาขายแล้วเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของคุณภาพแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้า อ, อย่างเง้นเราทำเองอทำเองทีนี้เราก็เลยไปดูในในชุมชนหรือวัตถุดิบในชุมชนปรากฏว่าในชุมชนเราเนี่ยมีผลไม้เยอะโดยเฉพาะกล้วยครับเราก็เลยเริ่มต้นมาทำทีนี้มาทาเสร็จแล้วเนี่ยก็คือได้ความรู้จาก กเกษตรจังหวัด น, นะครับเขาว่าเออถ้าเกิดว่ามาทําแบบนี้แล้วก็รวมกลุ่มเป็นทําเป็นวิสากิจชุมชนเลยละกันเราก็เลยเริ่มต้นจัดตั้งทําเป็นวิสาขิจุมชนขึ้นมาครับ mm hmm. แล้วก็ <Ha. S 2> แต่งงานกันทําว่าอ่าส่วนนี้เป็นของวัตถุดิบมาจากชุมชนนี้แล้วก็เอามาเข้าวันทาที่เราเนี่ยครับ อแสดงว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยที่ก่อนที่จะเป็นวิสากิจุลชนเนี่ยคือเราก็เปิดหน้าร้านปกติแต่พอเรามาเป็นวิสาหกิจชุมชนปุ๊บเนี่ยอตอนก่อตั้งนี่เรามีการรวมกลุ่มหรือว่ารวมคนประมาณสักกี่คนนะคะตอนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณสิบสองคนนะครับสิบสองคนณนะตอนนั้นคื อ, อเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นในเครือญาติหรือว่าคนรู้จักเนี่ยคะเป็นเครือญาติแล้วก็จะเป็นชาวบ้านแถวแถว ชาวบ้านแถวแถวนั้นด้วยอะครับแต่แถวชุมชนที่เราอยู่อะครับค่ะแล้วตอนนั้นคือคนที่มารวมกลุ่มนี่ต่างก็มีมีเรื่องของเรื่องสวนไรนาทํำไหมคะหรือว่าอ่าเป็นการรวมกลุ่มการเฉยๆอะค่ะอ่าเป็นการจะต้องหม่อยบางส่วนก็นะจะเป็นสวนกล้วยด้วยอ่ะครับอ๋อก็คือจะเป็นเจ้าของสวนบางส่วนก็จะเป็นอ่าคนที่อยู่ในชาวบ้านที่อยู่ในแถวแถวที่เราจะทํากล้วยอบอะครับแล้วก็ชวนมาเข้าพิสาอีกับเราแล้วก็ มาแปลนลู ก, กเราอะครับอืมนะคะพอเรารวมกลุ่มปุ๊บอ่านะคะพอรวมกลุ่มปุ๊บนะมีทั้งคนที่เป็นผู้ที่ร่วมลงทุนแล้วก็ผู้ที่มีการปลูกกล้วยตรงนี้นะคะแรกเริ่มอย่างที่เราบอกว่าเราชูโรงเรื่องของกล้วยตอนนั้นเราทําอะไรกับอ่าผลประโยชน์กล้วยทั้งหมดเนี่ยเรามาทําอะไรบ้างอะคะเริ่มต้นคือทําเป็นทำอบกล้วยอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าเดิมทีเรารับกล้วยตากมาขายครับแต่แล้วโอเคมันขายได้แต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องของ คุณภาพเราก็เลยมีความดูแลอยากจะทําเองให้คุณภาพเนี่ยมันดีขึ้นโดยที่เราเป็นคนควบคุมเองครับออืแล้วตอนนั้นเริ่มต้นเราก็เลยทํากล้วยตากเลยอ่านะคะตอนที่เราทํากล้วยตากตอนนั้นเราเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ็หลังจากที่เราเป็นคนทําเองแล้วก็การันตีในเรื่องของคุณภาพต่างๆเองอะคะ่ะก็อืลูกค้าก็เดิมเนี่ยพอมันมีปัญหาเรื่องคุณภาพลูกค้าจากที่มีอยู่ครับก็หายไปแต่ทีนี้พอเราเริ่มมาทําเองแล้วลูกค้าเริ่ม กลัมาชิมแล้วก็รู้แล้วว่าแบบว่าของเราสะอาดเนี่ยครับเขาก็เริ่มกลับมาตอนนี้ก็มีลูกค้าพอสมควรครับทั้งทั้งในตลาดน้ำภาวาแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยครับวิธีการในการกระบวิธีของเราในการทํานี้มีความแตกต่างจากในที่อื่นๆยังไงบ้างอะคะสําหรับการทํากล้วยกล้วยอบนะเริ่มต้นก่อนในผลิตภัณฑ์แรกของกลุ่มก่อนนะคะครับเรา เ, เราควบคุมความสะอาดทุกขั้นตอนครับเริ่มต้นจากการเลือกกล้วย กล้วยที่เรามาใช้เนี่ยเริ่มต้นผมบอกกันเลยคือกล้วยที่เราใช้เนี่ยเราใช้จากจังหวัดสมุทรสงครามร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นที่ของจังหวัดที่เราทํำมานะครับค่ะแล้วก็เลือกเลือกกล้วยที่อ๋อสวนที่มันเป็นปลอดสารพิษไม่ใช้สารเคมีในการปลูกครับแล้วก็เอาเข้ามาอาทําความสะอาดแล้วก็เปอะแล้วก็อบอยู่ในโรงที่มันปิดสนิทนะครับไม่มีไม่ได้ตากแดดอยู่ข้างนอกนครับอ๋อเราไม่ได้ตากดดแดดค่ะ ใช่แล้วก็ตกดัดเราไม่ได้ตัดแต่ยุงนอนแล้วก็มาอบอาเมื่อเมื่ออบเสร็จแล้วเราก็เข้าไปบรรจุในห้องอบรรจุพันุ์คือตอนนี้เราได้อยยแล้วก็ได้ T M P กฎหมายเรียบร้อยแล้วครับอแสดงว่าตอนนั้นที่เราทําเนี่ยเราก็ต้องมีการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหมคะว่าเราต้องทํายังไงให้มันถูกตามลักษณะที่เราสามารถที่ทจะจดทะเบียนได้เธออ่าเราจดวิสากีดถึงชนใช่ไหมครับพอปีต่อมาผมจดเข้าโอทอปทีนี้พอเข้าโอทอปปั้มเนี่ยเขาก็มีขั้นเรียนประกวดดาว Mm. เราก็เลยมีการทำโครงการว่าเออจะต้องขออเราก็เลยเข้าไปปรึกษากับสาธารณสุขจังหวัดะครับสาธารณสุขจังหวัดก็เข้ามาดูเราว่าห้องคนเป็นแบบนี้โต๊ะที่ทำคนเป็นแบบนี้ยังไงครับเพ oh. ื่อใหอ้ได้ความสะอาดแล้วก็ได้รับมาตรฐานด้วยครับพูดง่ายง่ายว่าเขาก็จะออกระเบียบ ม, มาหมดเลยว่าถ้าเราเซ็นเข้าในโอทอเราต้องอยากจะประกวดดาวเราต้องมีเรื่องของเกณฑ์อะไรบ้าง ใช่ไหมคะใช่คือชีช้แจง ร, รายละเอียดมาอย่างเต็มที่แล้วอย่างที่ ค, คุณสุภลักษณ์บอกว่าเราต้องมีโรงเรือนเราต้องมีเครื่องอบนะคะแสดงว่าเรื่องของการลงงบประมาณเนี่ยของกลุ่มเนี่ย12คนนะตอนเริ่มตน้นตอนนั้นขออนุ ญ, ญาตเตียนถามว่าเรามีงบประมาณในการทาตรงนี้เท่าไหร่คะเริ่มต้นจดทะเบียนนะครับแค่ ห้าหมื่นก่อนครับเริ่มต้นจดทะเบียนครั้งแรกเลยนะครับค่ะแต่ทีนี้เราทํำธุรกิจเราขายมาเราได้กาไรมาแล้วเราก็มาปรับปรุปงโครงสร้างเราเรื่อยๆครับอืมก็มกระทั่งก็ได้ได้ใหญ่อยู่เป็นไงครับอ่าก็ปรับนิดปรับหน่อยปรับนู่นปรับนี่เพิ่มเครื่องใช่เพิ่มเครื่องล่าสุดก็ซื้อเครื่องมาเป็นตู้อบลมร้อนที่มันสามารถดึงความชื้นได้ได้ดีอะครับอ้อน้าพอนะทําให้ปฏิทธิภาพขั้นแรเลยนะคุณภาพมันดีขึ้นครับ แต่แรกนะคะอย่างที่เราบอกว่าเราเนี่ยโอ้มีความรู้สึกว่าเราอยากจะทำผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นของเราเองแล้วก็สามารถการันตีคุณภาพให้กับลูกค้าได้นะคะคพอเป็นอบกล้วยมาปุ๊บเนี่ยทําไมล่ะคะเราถึงเปลี่ยนมาไม่ใช่ไม่ได้เปลี่ยนมีการเพิ่ ม, อ, มอื่นๆผลไม้อื่นๆเข้ามาน ะ, ะมีอะไ ร, ร บ, บ้างคะที่เราเพิ่มมาเป็นลักษณะของการอบอะค ะ, อะตอนนี้เรารับอินทผลัมมาครับมาอบอินทผลัมใช่ถ้าเกว่า บางคนก็จะยังไม่รู้ว่าเประเทศไทยสามารถปูอินทผลัมได้แล้วเราก็คือเริ่มต้นอรับอินทผลัมจากทางภาคอีสานบ้างทางภาคกลางบ้างเราเอามาเริ่มอบอะครับ mm hmm. คืออินทผลัมมันเป็นผลมไม้ที่มีประโยชน์เราก็คิดว่าเราจะทําอะไรที่มันมีประโยชน์ประโยชน์ต่อลูกค้าเราก็ทำ mm hmm. และทีนี้เรามีโรงอบอยู่แล้วตู้อบอยู่แล้วเราก็เลยเอามาลองอบอะครับตอนนี้ก็ได้รับการตอบรับก็กับลูกค้าก็ถือว่าดีอยู่ครับค่ะรสชาติจะเป็นประมาณไหนอะคะคุณสุภรักณ์ อินทผลามอะค่ะมันก็ออกหวานๆนะครับแต่ว่าก็หวานธรรมชาติเราบางบางลูกค้าบางคนก็จะเข้าใจว่าเราใส่น้ำน้ำเชื่อมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่ได้ใส่พอาะอบแล้วน้ำต่อยมันจะออกนิดๆนะจริงๆต้องขอโค่ะค่ะเป็นยังไงคะไส้มันจะออกเป็นยังไงบ้างคะอะไรนะครับไส้ของอินทผลางที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้มันจะมีน้ํานิดๆมันก็เลยเป็นรสออกหวานๆใช่ไหมคะใช่คือเนื้อของมันนะครับคือ อินทผลามมันมีความหวานมันอยู่แล้วพอเราไปอบปับ๊บไอ้ส่วนนี้มันเป็นน้ําที่มันไม่หวานมันก็ออกไปเหลือแต่เป็นน้ำน้ำน้ำอะครับแต่าจะเป็นนิด<า>นิดนั่นไม่ได้เป็นเยอะครับอ่าฮะรจริงๆแล้วใคร<า>หลายคนถ้าเกิดว่าติดตามแฟนเพจของทั้งกลุ่มในชื่อของบ้านสบายใจนะคะก็จะเห็นเพราะว่าเพิ่งเข้าไปเหมือนกันนะคุณสุภาก็เห็นภ า, ภาพของอิน<า>ทผลามที่ที่ทางกลุ่มเ<า>นี่ยมีการโพสต ต, ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นหน้าของอินทผลามแล้วนะคะก็โอ้โหเพิ่งเพิ่งเริ่มนะฮะก็ จริงเราเข้าใจตอนแรกก็เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมสีเนี่ยดูเหมือนกับว่าแบบมันน่าจะหวานนะแล้วก็มันใสอะไรเพิ่มนจริงๆมันไม่มีไม่มีการใส่อะไรไไงสิน้มนามาแบบสดเล ย, เลยค่ะสําหรับอินทผลัมเองเราเคยได้ดูเรื่องของสรรคุณไหมคะว่าอรับประทานแล้วจะเป็นยังไงบ้างกับร่างกายเพราะว่าหลายๆคนอาจจะทราบดีว่ากล้วยเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างแต่ว่าบางทีอินทผาาลัมน่าจะเป็นเรื่องใหม่อ่ะคะ่ะอินทผาาลัมเนี่ยมันจะ พวกลดความหิวไงครับบางคนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราห่อ อ, อิสลามเองเขาจะเอามาใช้ตอนที่เขาถือสินอดนะครับพวกนี uh ้ huh. มันจะให้พลังงานสูง uh huh. แล้วก็น้ําตาลเนี่ยมันจะเป็นน้าตาลโมเลกุลเดี่ยวพอเวลาเรากินเข้าไปปั๊บเนี่ยร่างกายสามารถเอาไปใช้ได้เลย uh huh. ไม่ต้องไปผ่านกระบวนการของของการย่อยนะครับ uh huh. อันนี้ร่างกายเาใช้ได้เลยก็ไม่ได้มีการสะสมกับเข้าไปร่างกายนะครับ uh huh. ไม่ร่างกายไม่ใช้ก็เผาผัานออกไป อทีนี้นมันจะมีลูกค้าบางอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นลูกค้าแม่ลูกอ่อนที่เขาต้องการให้มีนมนมน้ำน ม, มครับค่ะกินพวกนี้นมันจะช่วยาสามารถทาให้ร่างกายผลิตน้านมได้เยอะขึ้นครับอินทผลัมนี่ยนะคะมีส่วนในการที่จะช่วยตรงนี้ใช่ครับ นั้นเป็นความรู้ใหม่นะคะหลายๆคนถ้าเกิดว่าไม่เคยชิมน ะ, ะอย่างที่เราได้บอกเมื่อกี้น ะ, ะทางเพจนะคะ<ล>บ้านสบายใจตอนนี้กําลังกําลังลงเรื่องของอินทผลัมกันอยู่นะคะอนอกจากอินทผลัมแล้วค่ะกุศลผลักที่เรานํามา อ, อบแล้วมีอื่นๆอีกไหมครับผลไม้อื่ น, อ, นอื่นนะคะก็ตอนนี้จะเป็นมะเขือเทศอบแห้งครับแต่ว่ามะเขือเทศนี่แล้วแต่อมแล้วแต่ว่าบางสวนเขาออกแล้วก็มาอบเก็บไว้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เยอะมากแล้วก็ บางทีเราก็ไม่ได้ทํำครับแล้าบางทีแล้วแต่ช่วงฤดูครับเพราะว่าฤดูไหนเนี่ยผลไม้อะไรออกเราก็จะเอานั้นมาอบนะครับแต่ว่าหลักๆของผลิตภัณฑ์ที่บ้านคือจะเป็นกล้วยเพราะกล้วยออกตลอดอ่ากล้วยออกตลอดแน่นอนนะคะพอกล้วยออกตลอดจากการที่เราทํากล้วยอบเรามาสู่เรื่องของการทำเนี่ยฮะกล้วยผงมันเกิดอะไรขึ้นคะทําไมเราถึงแปลรูปให้มันกลายเป็นกล้วยผงนะคะครับ คือเริ่มแรกเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าโอ๊ยเราทํากล้วยต่างเนี่ยจริงๆแล้วใครๆก็ทําได้แล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีทั่วไปในท้องตลาดเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออืขึ้นใหม่ตัวหนึ่งเพื่ออเพิ่มเพิ่มรายสินค้าด้วยอ่าแล้วก็อยากให้ผลิตภัณฑ์มันใหม่เหมือนกับว่าลูกค้าไม่เคยเจอแบบนี้เลยแล้วก็พยายามที่จะทําอะไรให้ก็ได้ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากการที่เราผลิตนะครับออืทีนี้ค่ะ ครับพอดีกรมส่งเสริมเนี่ยกรมส่งเสริมงานเกษตรแะครับเขามีงบเข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่พอดีเราก็เลยเข้าไปประกวดอืมปรากฏ ว, ว่ากรมส่งเสริมเนี่ยเขาสนใจเราเขาก็เลยส่งอาจารย์จากอามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นอตัวแรกจะเป็นเครื่องดื่มกล้วยผงเลยครับครืสามา <ผง S 2> รถละลายใช่ใคล้ายคล้ายพวกเขาเรียกนะนะทั ญ, ญพืชอะไรอย่างนี้ไหมคะลักษณะ จะเป็นไงคายประเภทนั้นครับเหมือนกับว่าเราชงทําเป็นเครื่องดื่มสุขภาพอะครับอือ mm hmm. อันนี้คืออาจารย์กำเนิดาเหมือนกับว่าสามารถเราสามารถชงละลายในน้าแล้วก็ทานได้เลยครับ mm hmm. อย่างนี้เราก็ต้องมีเครื่องไมย mm hmm. เครื่องมือเพิ่มเติมไหมคะเวลาที่มาทำเป็นแปบลูกกล้วยผงเนี้ยค่ะอันนี้เราได้งบร่วมแลจากกรมห่งเสริงการเกษตรครับแล้วต่อมาเนี่ยเรา อ่นํำผลิตภัณฑ์เนี่ยไปเสนอกับสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับหรือว่า NIA ค่ะอ่าทีนี้เราก็ไปเสนอครับปรากฏว่าเราก็ได้งบสนับสนุนจากสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติเข้ามาก็จะได้รับสนับสนุนในเรื่องของการวิจัยแล้วก็อ่าในเรื่องของเครื่องจักรด้วยครับอ๋ก็คือสนับสนุนในเรื่องของการ่าคิดค้นสูตรของเราใช่คิดค้นสูตรด้วยล่าสุดเนี่ย ที่ทำทีอันนี้เรายังทำไม่เสร็จดีนะครับอันนี้เราถึงจุดที่ว่าเราเอากล้วยผงของเราเนี่ยไปตรวจสารสำคัญของกล้วยผงที่เราทำอะครับ ม, มันจะมีสารอยู่สองตัวคืออินูลินกับโอลิโกโ ฟ, ฟูตตวัะครับอ๋อค่ะอาา่าฮะถ้าเข้าใจอีกนิดนึงคือสารสองตัวเนี้ยจะมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกอะครับมันจะช่วยส่งเสริมการทำงานของลำไส้และก็กระเพาะของเราครับผม ถ้ามาว่ากล้วยผงแบบรูปเนี่ยนะคะมีสรรพคุณในเรื่องของการที่จะช่วยในเรื่องของกดไหลย้อนด้วยใช่ไหมคะคุณสุประา ค, คะนะด้วยรครับะะอันนี้อันนี้ปรดี๋ยวว่ามันเป็นผลต่อจากนั้นก็คือเราทํากล้วยผงไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าลูกค้าไปทานปรากฏว่าไปช่วยลดกดในกระเพาะของเขาด้วยแล้วก็เ hmm. จะช่วยป้องกันในเรื่องของโรคกระเพาะด้วยะครับ ค่ะสําหรับรสชาติของกล้วยผงเป็นยังไงบ้างคะ่ะที่ชงรับประทานจะแบบว่ากล้วยเต็มร้อยเปอร์เซน์หมคะรสชาติมันนะคะอะตอนนี้เราทําเป็นทั้งหมดสี่สูตรครับโอ้เป็นสูตรก็คือเป็นสูตรธรรมชาติเลยคือเป็นกล้วยผงอย่างเดียวเลยคือลูกค้าจะต้องเอาไปผสมกับน้ําผึ้งหรือว่าไปใส่ในอาหารทานนะครับอันนั้น อ, อันนั้นคือระดับแบบว่าทานยาก น, นิดนึงแต่ว่าลูกค้าบางคนทานได้ก็จะซื้อแบบนี้ไปทา น, นครับค่ะและ อ, อันที่สองคือเป็นรสออริจินอล ก็คือใส่เลยชงคล้ายๆพวกเน็ตบีตัง้งนะครับชงดื่มออ่าอ่าเป็นเครื่องดื่มแบบคล้ายๆธัญพืชนะครับมันก็จะมีไฟเบอร์ในเรื่องของกินเข้าไปแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการับถ่ายด้วยแล้วก็อันนี้สามจะเป็นรสโกโ ก, โก้กับรสนมครับอันนี้สาับอันนี้สี่อ่ารสโกโก้กับรสนมันไหนจะใส่สองอันนี้คือจะทานง่ายที่สุดก็คือเหมือนกับทานเราทานอผงโกโก้สําเร็จรูปทานอย่างนะครับทานไหนทันง่ายอันนี้คือทําเพื่อ ให้ลูกค้าที่ไม่เคยทานเลยมาทานนะครับแล้วมันจยังมีเจือรสชาติของกล้วยอยู่นิดหน่อยไหมคะหรือว่าเป็นโกโ ก, โก<ะ>้เต็มที่อ๋อจะออกเหมือนเราเราทานโกโก้เลยดีกว่าครับ อ, อันนี้คือสำหรับลูกค้าที่แบบทานกล้วยยากครับเด็กๆเราจะทาเราจะฉายเราจะทาผลิตภัณฑ์ตัวนีขึ้นมาลองรับนะคะเด็กก<น>็ทานได้นะครับอันนี้อลองลองให้เด็กทานเ็าชอบอยู่ครับ แสดงว่าล่าสุดผลิตภัณฑ์ของเราตัวนี้นะคะกล้วยผงแปรูปเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นที่พูดถึงในท้องตลาดอยู่เหมือนกันนะคะมีความต่างหรือว่ายังไงบ้างคะสำหรับสรรพคุณหรือว่าผลที่ได้จากการทานกล้วยอบปกติที่เราทำกับกล้วยแปรูปเนี่ยนะคะต่างจากกล้วยตากกันคบค่ะ หรือว่ากล้วยกล้วยธรรมดาก็ได้ค่ะอะมันมีเรื่องของคุณค่าคือบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ยอเวลาเราแปลรูปนี่อในคุณค่าบางอย่างที่จะได้จากกล้วยสดเนี่ยมันจะหายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอ๋อคือคือถ้าเกิดว่าไปเทียบกับกล้วยสดนะ่ะมันอาจจะไม่ใช่ที่ครับคือปกติเนี่ยเราทําเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยเอากล้วยเนี่ยมาเป็นหลักถ้าเกิดว่าสมมุติว่าจะมาเทียบประโยชน์จากกล้วยสดเลยเนี่ยก็กล้วยสดก็จะเป็นประโยชน์อีกแบบนึงแล้วก็กล้วย กล้วยผงชงลายก็จะเป็นประโยชน์อีกแบบนึ่งครับซึ่งคุณสมบัติมันมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเที่ยวคือตอนนี้เราตั้งใจเราจะทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชนิดหนึ่งซึ่งใช้กล้วยในเป็นส่วนผสมหลักก็คือจะเน้นกลุ่มส่วนผสมหลักว่ายอย่างนั้นนะะในการาชูโรง<ม>นะคะถ้าเกิดว่า ถ้าเกิว่าเราเทียบจากว่าถ้ว่าเรากินกล้วยสดเลยคือบางคนอยากได้ประโยชน์จากกล้วยเต็มๆเลยก็กินกล้วยสดเลยก็ได้ครับแต่บางคนอาจจะเบื่อแล้วก็ได้นะฮะงก็จะเปลี่ยนแบบแล้วก็ทานทานกล้วยผงกลได้เรื่องนี้ตั้งใจทำเป็นเครื่องดื่มแต่ว่าเราใช้วัตถุดิบหลักเป็นกล้วยเพื่อเอามาส่งเสริมประโยชน์อจากกล้วยที่เอากล้วยมาเป็นประโยชน์แทนที่เราจะทานเครื่องดื่มเบาๆที่แบบว่าเอไม่ได้มีประโยชน์อะไรเราก็หันมาทานเครื่องดื่มที่ เราใช้ประโยชน์จากกล้วยไปด้วยอย่างเงี้ยครับอืมนะคะสินค้าของเรารนะคะส่วนใหญ่เราเน้นกล้วยแบบนี้เรามีเรื่องของปัญหาหรืออุปสรรคไหมคะในเรื่องของวัตถุดิบอะค่ะเพราะว่าเรานํากล้วยเนี่ยมาจากสมุทรสมุทรสงครามอย่างเดียวเลยมีปัญหาไหมคะตรงนี้ค่ะไม่มีครับอันนี้เรามีวัตถุดิบเพียงพอเลยครับอืมคือปกติแล้วเรารเราเร า, เรามีการวัดออเดอร์ไหมคะว่าประมาณเดือนหนึ่งเราใช้กล้วยประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะอ่า เดือนนึงเนี่ยเราใช้กล้วยประมาณแปด0มืนถึงหนึ่งแสนลูกครับต่ อ, ด อ, ตอเดือนแปดหมื่นถึงหนึ่งแสลูกต่อเดือนใช่ อ, อันนี้ต่อต่อเดือนนะครับแล้วแล้วแต่แล้วแต่รอบที่แต่ละสวนจะตัดมาให้เราด้วยครับตอนนี้เราใช้กล้วยในวิสาหกิจของเราครับ อ, อย่างเดียวเราจะประกันราคาให้ด้วยโอ้นะคะยังไงก็ได้แน่นอนถ้าเกิดว่ามีการส่งมาทปกลุ่ม ใช่อันนี้เราเหมือนกับว่าเราคุยเหมือนกับว่าเราใช้กล้วยในสมาชิกในกลุ่มแล้วก็ในจังหวัดด้วยครับเราก็จะมีการประชุมต่อกันอ่าครั้งนึงว่าปีกับครึ่งปีครับว่าเราจะกำหนดราคากล้วยเท่าไหร่แล้วก็จะให้ออ่ชาวสวนกับเราในประชุมกันว่าราคาที่ต้องการคือราคาไหนแล้วเราก็จะราคานั้นอืมไม่ได้ว่าไปกดราคาว่าราคาลงสุดเลยเราก็จะไปเอาราคาถูกที่สุดเราเราไม่ได้ทําอย่างนั้นนะ้ม นะฮะครับผมค่ะนอกจากนี้นะคะต้องขอเรียนถามนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ฟังอยู่เราก็อาจจะเป็นในกลุ่มวิสาหกิจเหมือนกันกับวิธีการนะเพราะว่าทราบมาว่าทางกลุ่มเองเนี่ยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะเราได้ห้าดาวแล้วก็สี่ดาวด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ของเราที่ได้5ด้าดาวแล้วก็สี่ดาวนี้มีอะไรบ้าง啊ค่ะคุณสุภาลักษณคะตอนนี้เราปรากวดแค่ อย่างเดียวครับคื อ, คอกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตยิยครับ อ, อันนั้นจะได้ห้าดาวยังไม่มีสีดาวครับห้าดาวอย่างเดียวกู้อบพลังงานอาพลังงานแสงอาทิตย์ตรงนี้เรามีกรรมวิธียังไงบ้างอะคะที่ทําให้เราได้ขึ้นมาเป็นห้าดาวอ่ะค่ะคร่าวๆนิดนึงก็ได้ค่ะเรากําหนดเรื่องของความสะอาดเป็นหลักคําในการทําทำสินค้านะครับสะอาดเสร็จแล้วก็ต้องอร่อยอืม รส <ผม S 1> ชาติก็ต้องอร่อยมันให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าได้ครับค่ะส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าซื้อไปเราสามารถเก็บรักษาได้ประมาณนานเท่าไหร่คะอ่ะกากล้วยตากเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณนอกตู้เย็นยประมาณหนึ่งเดือนครับอืมถ้ากล้วยผงก็ได้ประมาณหนึ่งปีครับอ่านะคะแล้วเรื่องของแพ็เกจจิ้งนะคะเรามีใครที่เข้ามาช่วยเหลือเราไหมคะตรงนี้เกี่ยวกับการออกแบบของแพ็เกจจิ้งผลิตภัณฑ์นะคะอ่าออกแบบแพ็เกจจิ้งผลิตภัณฑ์เราจะได้ของส่วนของเกษตรจังหวัด พัฒนาชุมชนแล้วก็ล่าสุดที่เข้ามาช่วยช่วยเราอีกอีกอีกหน่วยงานหนึ่งก็คืออุตสากรรมจังหวัดอะครับอุสตาอสตาหกรรมจังหวัดนะคะเข้ามาตรงนี้ก็น่าจะเริ่มเป็นเขาเรียก ว, ว่าเป็นเรื่องของการขายที่แบบว่าอ่ายกขนาดขึ้นอีกหรือเปล่าคครั บ, รบก็ก็เรามีอ่าไปขายในห้างสรรพสินค้าบ้างครับ นะคะไม่ได้แค่หายในข้างอย่างเดียวเพราะว่าซราว่าล่าสุดเนี่ยทางกลุ่มเองมีการไปร่วมโครงการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรด้วยที่ญี่ปุ่นใช่ไหม<อ>คะอยากให้คุณสุภลักษณ์ เ, เล่าตรงนี้นิดนึงว่าเรามีโอกาสในการที่จะไปที่นั่นได้ยังไงแล้วก็ที่นู่นเขามีฟีดแบ็กยังไงบ้างกับผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะคะ่ะครับก็อันนั้นเราได้ไปกับกรมส่งเสริมการเกษตรครับอันนี้กรมส่งนนเสริมการเกษตรเป็นคนคัดเลือกเราเข้าไปเพื่อ อ่าศึกษาความต้องการของทางต่างประเทศนะครับโดยโดยคมรองเสริมเนี่ยเขาก็เลยเลือกไ ป, ปที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอ่านำเข้ากล้วยเนี่ยไปเยอะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเอาอันเนี้ยลองเข้าไปก็ได้รับความสนใจพอสมควรนะครับอืมนะมีคนสอบถามเยอะไหมคะว่าเอ๊ะทำไมแปรรูปเป็นกล้วยผงแล้วรสชาติจะเป็นยังไงแล้วอ่าเรื่องสรรพคุณจะเป็นยังไงมีไหมคะคนญี่ปุ่นที่แบบว่ามาถามเราในเรื่องเนี้ยค่ะอ่อก็ก็มีอยู่ครับ ก็มีพอสมควรอยู่ครับแล้วก็ลองเราก็ลอง ช, งชงชงชงให้ชิมมาครับนะคะคแล้วในในงานครั้งนี้เนี่ยทำให้เราได้รับอะไรบ้างะคะในการที่เราไปร่วมกันออกบูธ ท, ที่ญี่ปุ่นเลยอะค่ะอ่าเราก็ได้รับความสนใจจากจากเขาเรียกอะไรคู่ค้าจากจากญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเราก็ได้ได้เรื่องของความต้องการของชาวญี่ปุ่นเป็นหลักมากกว่าคำว่าวิธีการอ่า การรับประทานของเขาแล้วก็ชีวิตของเขาเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงแล้วเราควรจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปทางไหนที่จะไปเหมาะสมกับอกับวิถีชีวิตของเขาใช่ไหมคะเพรจริงๆแล้วชาวญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นอช่วนี้เขาก็เป็นเรื่องของเฮลตี้เหมือนกันนะเป็นเรื่องของการรักษาสุขภาพเหมือนกันแต่ว่าก็อย่างที่คุณสุภลักษณ์บอกคือเราก็จะไปจับด้วยว่าเออเขากําลังสนใจในสินค้าแบบไหนใช่ไหมคะเพื่อที่ว่าเราจะได้นํามาปรับปรุงเพราะฉะนั้นแล้วนะค่ะครับ าที่คุยกับผู้ประกอบการญี่ปุ่นนะเขาบอกว่ามีคนญี่ปุ่นเนี่ยสนใจผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกี่ยวกับกล้วยครับเป็นคือถ้าเกิดว่าเรานำไปเสนอแล้วสามารถโดนใจเขาได้ก็สามารถเข้ามาทำตลาดได้อะครับเพราะฉะนั้นล่าสุดนะตอนนี้นะทางกลุ่มเองนะคะเรากำลังมองหนทางว่าจะพัฒนาอะไรเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราอะคะ่ะตอนนี้ก็อยากจะต่อยอด กล้วยผงนะครับขึ้นไปอีกแต่ว่าตอนนี้เราเรายังอยู่ในขั้นวิจัยอยู่ว่าอมันส่วนมันมีสารลําพันอะไรบ้างแล้วก็อมีโภชนาการอะไรนอกจากอินูเรนกับโอเลโกฟูโตดบ้างครับอืก็คือจะแจกรายละเอียดอืมค่ะครับผมค่ะกระจาแจ้งรายละเอียดที่มากขึ้นให้ให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของรายละเอียดที่ชัดเจนเพื่อที่ว่าจะได้พูดคุยกับลูกค้าแบบนี้ใช่เพราะเวลาเรา เราทําผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าแล้วเราต้องสามารถตอบลูกค้าได้ว่าที่ลูกค้ากําลังกินนลูกค้าจะได้อะไรบ้างครับจากการจิ้ผลิตภัณฑ์ของเราค่ะสําหรับะนะผลิตภัณฑ์ของเราเองเราใช้ชื่อแบรนด์ว่ารายค้ากุภัลักษ์แบรนด์ที่ใช้ชื่อว่าแบรนด์ดีปาสนาคะครับอ่าดีปาสนาะนะคะปาสนะเนี่ยมันแปลว่าลมหายใจดีแรี ว, ว่าดี คือแปลว่าลมหายใจที่ดีครับดีปาสชนะนะเผื่อใครที่กำลังบอกว่ามองหาผลิตภัณฑ์นะคะแต่ทงนี้ทั้งนั้นค่ะช่องทางในการติดต่อดีกว่านะคะสำหรับวิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจใครสนใจผลิตภัณฑ์เราสามารถไปดูได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะตอนนี้เราเบอร์โทรศัพท์ก่อนไหมครับได้ค่ะครับรูนแปดสี่ครับค่ะสามห้าสี่ห้าหกหนึ่งห้าครับอ่านะะเป็นเบอร์ตรง ค, คเพจเฟซบุ๊กก็คือบ้านสบายใจอะไรครับอ่าบ้านสบายใจอันนี้เขาง่ายมากใช่เลยน ะ, อ, ะนะอ่าแล้วมีหน้าร้านไหมคะหน้าร้านที่เราจะไปวางขายค่ะอ่าหน้าร้านตอนนี้เราอยู่ตลาดน้ำํำพะวาเป็นหลักครับอือฮะเรามีชื่อร้านไหมคะคุณสุภลักษณ์ ถ้าที่อัมพาวาจะใช้ชื่อว่าบ้านกล้วยอัมพาวาครับบ้านกล้วยอัมพาวานะคะแล้วก็แฟนเพจก็บ้านสบายใจนะหรือว่าติดต่อาทางเบอร์โดยตรงได้นะคะที่0 84ู84 354 5615นะคะท้ายนี้ ค, ะค่ะสุคนสุภาค่ะอยากให้พูดถึงนิดนึงนะคะต้องถือว่าวันนี้ที่วิสากิจุมชนของเราเองเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรมากมายแล้วก็ถือว่าเราได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ก็ค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันนะคะอยากให้ฝากถึงคผู้ฟังหลายๆท่านที่ฟังอยู่แล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ทําวิสาหกิจชุมชนว่าเรามีวิธีการในการที่จะขอความร่วมมือหรือว่าพัฒนาในส่วนตรงนี้ยังไงบ้าง啊คะ่ะแรกเริ่มเดินทีแล้วเราควรจะทําอะไรที่เออเรากินเราจะทําอะไรลูกค้ากินอย่างหนึ่งคือเรามเขาสึกว่าเราต้องกินสิ่งนั้นได้ครับแล้วเราก็เริ่มต้นทํา ม, มัน เริ่มต้นก่อนนะครับเริ่มต้นก่อนเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปขอความช่วยเหลือจากเขาถ้าเกิดว่าเราไม่ไหวจริงๆเริ่มต้นอาจจะไปขอความรู้ก่อนแล้วเมื่อเขามีงบประมาณเขาอะมองแล้วว่ า, เ, าเขามีงบะประมาณแล้วสามารถมาช่วยเหลือได้ <t> เขาถึงจะเข้ามาช่วยเราเงี้ยครับแต่ว่าว<ะ>เราต้องเอดูแลตัวเราเองก่อนให้แข็งแรงก่อนที่จะไปช่วยขอความช่วยเหลือจากคนอื่นออืนะต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อน <t> ใช่คือถ้าเกิดว่าเราทําเราแข็งแรงแล้วแล้วก็มีคนมองเห็นแล้วว่าเรา แข็งแรงเขาพอเวลาเขามาช่วยเราเนี่ยเขาจะมองว่าเฮ้ยเขาช่วยเราเนี่ยเราสามารถอ่าเดินต่อได้เลยอะไรเงี้ยครับอืมอเพราะว่าบางทีเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะสามารถไปต่อได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่คุณสุรักษ์บอกน ะ, ะคิดแค่ว่าะจะทาให้หนวนทําให้นี่ทําให้ น, นั่นแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มต้นทํ า, นนาลยแล้วจะไปรอคนหนึ่งช่วยเนี่ยมันก็ ยากที่จะมีคนมาช่วยเราอะครับมันมันตั้งต้นยากพูดง่ายๆนะคะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดว่ารเราได้ลองทําดูแล้วแล้วก็ทําภาครัฐมองเห็นแล้วว่าเออกลุ่มนี้มีการรวมตัวกันแล้วมีการทํางานเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะมีการออกสู่ตลาดบ้างแล้วก็จะเริ่มมาจั บ, บในตรงนี้นั่นเองนะคะเขาก็มาช่วยเหลือเราได้บ้างแล้วก็ไม่จะไม่จำเป็นต้องมา ลงทุนกับเราเต็มที่แค่ว่าอามาช่วยดูว่าเราต้องการส่วนไหนอะไรเพื่อให้ธุรกิจเราจะเป็นต่อไปได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับฮะนะคะนี่คือการพูดคุยกันในวันนี้นะคะต้องขอบคุณค่ะคุณสุภลักษณ์บัวโรยประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองที่มาพูดคุยกันะนะคะขอบคุณมากมากค่ะคุณสุภลักษณ์ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ น่าสนใจใช่ไหมคะคุณูฟังคะที่จริงแล้วต้องบอกว่าเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เริ่มต้นจากการขายของแล้วก็เอ๊ะพอขายของปุ๊บเนี่ยลูกค้าถามว่าสินค้าที่เอามาขายเนี่ยมันขายได้นานเท่าไหร่มันมีคุณภาพไหมอะไรยังไงบางทีเนี่ยอึดอัดใจที่จะ ต, ตอบเพราะว่าไม่ได้ทำเองนะคะคุณสมรักษ์ก็บอกว่านี่แหละเราก็เลยเริ่มต้นกันด้วยการทาผลิตภัณฑ์เองจากกล้วยอบ พลังงานแสงอาทิตย์นะคะสู่วันนี้ค่ะกับการแปะรูปเป็นกล้วยผงเพื่อสุขภาพนะคะซึ่งกําลังมาอินเทรนด์มากเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคนไทยเองหรือแม้แต่ในต่างประเทศเองเราก็เริ่มที่จะมาที่ด้านของการดูแลสุขภาพกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่สนใจผลิตภัณฑ์นะคะก็สามารถเข้าไปที่แฟนเพจกันได้เลยที่บ้านสบายใจค่ะส่วนในวันนี้นะคะรายการตลาดนัดชุม ช, มชมนหมดเวลาลงแล้วติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในครั้งหน้าอย่าลืมนะคะเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทาง fm 89.5 วิทยุราชมงคลธั ญ, ญ ดิฉันรับรองว่าจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจของกลุ่มวิสาหกิจมาพูดคุยกันอย่างแน่นอนค่ะสวันนี้ต้องขอบคุณสงกาดติดตามรับฟังกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีร่วมส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนหลักดันโนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ไทยแลนด์ 4.0